ความจริงแห่งธรรมดาของโลกและชีวิตที่ต้องรู้ให้ทันและวางท่าทีให้ถูกขอย้อนกลับมาที่ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้จะเป็นนิ้วตั้นก็ได้จะเป็นไอสต่ายก็ได้หรือจะเป็นกวีที่เก่งกาดเป็นนักการศึกษาเป็นได้หมดจนกระทั่งประเสริฐสุดเป็นพุทธะก็ได้ เมื่อมนุษย์ประเสริฐ ด, ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างนี้ก็เป็นอันว่าโยงกันแล้วคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าฝึกฝนพัฒนาได้นั้นก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินี่คือย้อนกลับมาหาความจริงข้อแรกของธรรมชาติอีกคือการที่มนุษย์ผู้ฝึกฝนได้จะพัฒนาตนสาเร็จต้องรู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติและปฏิบัติให้ถูกตามกฎนั้น เช่นปฏิบัติตามกฎแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายกฎใหญ่ก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหลักใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สองหลักคือหนึ่งหลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 2. เบื้องหลังความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็คือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันได้แก่อิทัปัจยตาฉะนั้นต่อจากไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องปฏิจจะสมุบาทหรือที่เรียกเต็มว่าอิทธปัจยตาปฏิจจะสมุบาทคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย ถ้าเราเข้าถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยหลักการต่างๆก็โยงถึงการแจมแจ้งหมดและเข้าสู่การปฏิบัติในการที่จะฝึกตนได้ถ้ารู้แค่อนิจจงทุกขังอนัตตาเรายังทำอะไรไม่ได้ได้แค่รู้ทันว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่คงที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัย ก็ได้แค่รู้ระวังใจแต่ยังทําไม่ได้แต่พอรู้ว่าออกกดแห่งเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็คืออิทัปปัจยาตาซึ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้ก็เอามาใช้ลงมือทําได้คือเอามาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างธรรมชาติพิเศษของมนุษย์กับธรรมชาติสามัญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง